แต่ไม่รู้จักคิดอะไรทำจริงอรู้อะไรก็ต้องคิอันนี้ทำได้ดีแล้วสิ่งที่อยากทำก็คื สม่แน่ใจวมา่เหลือสกว่าวันพอสมควรสกว่าวันกัน คระทวายก็จะทวมศาลนครับามนนคนพ่านจต้องเดินไสองศาลสามเดินอพราอรือกรศึก นีสัตว์โเราณมีวัตถุโบราณก็เข้าภาษาอีกภาษาหนึ่งเจาาา้าภาษาหนึางนอกภาษาภาษาหนึ่งก็จะเยอะ มันทำาเป็นอะไรไดได้ก็ไม่เกินเจ็บาทแล้วกับมาตเป็นโรนีเรื่อยๆถ้าพูดถึงตรงนี้ นั่นเิ่มมาถามพวกเราะที่าอากันพวกเราไม่ได้อสาหไม่นด้อาจ ะ, อาะท้อเทเเ า, าเราได้อะรการต่อไปเป็นปีแล้ถ้าภาษาไม่ดนนได้อะไรก็ได้ภาษาเป็นภาษาด้วยเตะนอนกันนานๆอะไอย ห ล, ห, ลหลังคือหลักคิดกับพูดทำนี่แคือปฏิมากรรกรรมถ้าใครไม่มีหลักก็คือคนไม่รู้จักทำนี่เเพราะสุดท้ายก็จะทำไปตามความคิดกับพูดกันทำมาด้วยเอคือสเสียก่อนคิดเฉยๆก่อเสียก่ยอนทำกับพูดและการไปทำ มันต้องเรียนรู้ทางการศึกาวชาประมวลคำสอนเป็นของสั้นๆลแล้วเราปฏิบัติปฏิบัติอะไรปฏิบัติได้ยังงอะไรปฏิบัติให้เข้าใจอะไรมาก็ะจายชัดเจง ก็จะจำกับมันก็จะแค่กลอววิชาแล้วก็พูดถึงอา้วเราทำงานยกยให้มันมพิจารณามาว่าจะสมดุแล้วจุดเป็นสมาธิแล้วก็พิจารมาใ้าจแร่นหนาอย่างนี้เาลจจะได้ประโยชน์ จริงกำหทุกทารเดียวทำอย่างไรก็รจะ้าใจเราปฏิบาาัติมตุ้ตรงก็ต้องเปาในกระบวนการอความคิดทุกขั้นพอนของการคิดโอเคที่จริงทุกนี่คืออะไร ทุกของเขาเรียว่าทุกของเราันกิดวิธีคิดเรื่อวมามคิดคิดง่ยๆเรื่องความคิดแต่ในเรื่องความพูดเราพูดออกไปอิสระออกเป็นความคิดทุกของตัวเองหรือทุกของคนอื่ที่เราพูด แล้วมันมีผลอะไรเรามาสเกตดูตัวเวลาเราคู่จะไม่พูดถึงทุกตัวตัวเองแต่พูดถึงคนนั้นคนนี้คนนู้นรู้่อคนนั้นทุกข์ทนั้ทกแล้วก็เอาทุกความทุกมาแบ่งสมมติถ้าเรียนมาตั้งต่เ่งคามขุน ให้มีภาระรูทุกข์รนี้ในขณะเดีกันทุกข์ก็ตัวเองบ้คิดแล้วมันเป็นทุกข์พูดแล้วเป็นทุกข์ทแล้วมันหาที่กบจัดอไรที่อยู่กับมันได้ขาใจมันได้เราไม่คาเมื่อเราไม่คก็ปลาทุกข์ไม่ัอยู่กับเราอยู่ในระบบความคิดหรือระบบการพูด เรวาจากโรคพัฒนาธรรมกันแสดงอกประเด็นก็คือไม่รู้ก็คือไม่มีสติแต่เรารู้วทกของเรามันก็มีมากพอแล้วทไมไปเชเป็นทุกคนคนอื่นดี็แบ่คนอื่นแบเท่่อยปีน ทำไมเขาไม่เป็นอย่างนั้นทำไมไม่เป็นวัน่าจะทาอย่างนั้นน่าจะทำอย่นี้จากเปลี่ยนคนอื่นอยากได้ใขรคนอื่นจากเปลี่ยนคนอื่นขนาดก็ทุกข์ของตเต็มหัวใจแลนมีช่วงไหนที่มีทุกมีขนาดไหนที่มีทุกทุกเวลาทุกขนาดลงมาใจเขาบอกยอาไม่ถูกเพราะม่าจะหลง ไปดูปดัจจัยภานอกมันแข็งนแต่ข้างนอกรู้เรื่องหมดพอเจอ ข, ออขอ้ัเองเขากับไม่ได้ยื้ไม่ได้ทนไม่ได้เนี่ยคือสภ า, าะวะทุกข์เกิดจาใทนไม่ได้ก็เดือดไม่ได้มันอัคตเกินังควาเทน นัน้นการปฏิบัติก็คือต้องการทำอย่างไรคือจะทาให้ทุกต เ, เองไมยทุกข์เื่อความคิดทุกรืองความพทุกกากทให้มันน้อยลหรือย่าน้อยเึืรู้ส้องทำว่าการคิดเองทุกข์อยู่นะคิดเองไม่มันเป็นทุกข์นะก็ต้องให้รู้นนะูสันไม่สามารถกาจัดมันได้ อยากว่ากคือย่างนจะทำให้สุขภาพดีด้ยอะย่างนี้แต่เรามรวมนมากกราคันชัดเจนไมาพราะ้นผู้ชีวของเรานเวลาพูดการแสดงหรือเราพะไรเนี้ผม่นขึมาประมาชัดเจนทาไมเพราะอะไรไอ้สิ่ผู้เจว พยามชีอกรอกพวกเราว่าเองมันเป็นเรื่องส่วนตัน่ตในข้นต้นถ้าตัวนี้เป็นต่อเป็นเครื่องมือของจิตที่ไม่ชั่งรางเรก็จะใช้เป็นเครื่องมือใช้หูใช้ตาใช้ปากเป็นเครื่องมือทุอ่ากอย่างมส่วนรวมานี แรงวกันเอะเลยความเชืรอสิีดีที่รงเรื่องนีเราก็สึกเกิานรสมองของราสมส่วนคส่วนหลังส่วนกลคือกว็ส่วนหามันทำทันทีอยู่สุช่นอืม ในส่วนของขาเป็นส uh uh ัญชาตญาณที่ใช้การต่เอการสมองที่เกอดดูราเราตป่นขึ้นมามถ้าเราสนสตีพอดจะรู้สึกว่าเราเป่อทเาตจาามสมองแต่ก็มีบอกชื่อเป็นเปการโย ไม่ใช่เร่สมองคนคือมีพฤติมคนยิงห้องเกิดเที่ยวสมองตัวแรกส่วนกลางเกิดทางหองเกิด้องอันนี้เป็นเร่ององไอตัใจคตัวเป็นลองส่วนที่สามอห้าตเป็นส่วนหน้าส่วนกาส่วนกรส่วนหน้านี่นี่สมองที่เกิดจากการ ฝึกขารปฏิบัติจนถ้าเราว่าถูกต้อจะฝึกสรงจนงานควบคุมปัะธรรมดอนี้สมองตัวแรกเขาบอกอนี้เป็นสัญชัตญาณ่เป็นการแสดงออกการถ้าเราสังเกตดูแล้จิตที่สมองทั้งสามส่วนมีตัวสำคัญในครั้งอ่มา พอมาเว่าจิตมันเข้าข้าในมันถอออกมารู้ตัมันจะเข้าใจมันแบบไปไม้มันตึงนอมาาตัวมันค่ๆานไปคือมันรับรู้ทั้งหอกทุกภาษานกระท้อนที่เป็นภาษมันจะเริ่มเริ่มรู้ประคุแต่ถ้าจิตทีมันรึเข้าไปข้างในจริงทั้งสาส่วนจะไม่เกี่ยวงะไรเรีว่าอภรณสมาธิมันจะไม่เี่ยวั้ อนี้ะาษาทริศนาแสดงผลไม่สามารถแสดงผลได้แต่งณทีายยึเขาก็ทำที่าเขาใจเรอ่อนแข็าทำที่อยาครับม่จิตตอออกมาแตตัวเกี่ยวรู้ลักษณะการทำงานที่เรียกว่ากายกับจิตมันเป็นกี้ดูกสมองรูปส่วนประกอบคิดให้เขาไป ส่วนใหญ่แล้ตว์เช่นไปยท้ายทอยคืออันนี้เป็นไปที่เราเ้มาเต้องปเกิดป็นทุกคนแค่หมูโกลดที่แสดงออกมาที่าสัตนไี่มสัรลามีความต้องการอะไรแต่จะเรยกว่าะรแต่ต้รนะสิ่งต่างๆเร้ชนะข้าศัากันคืไได้ไปใช่เห่ใช่ผล ต่อประเภทปัญญาคือส่วนกาส่วนหน้าเรากำลังว่าห่ากันเลยอาจะคยเรื่องเหตุเรื่องผลก็ด้นี่คือสัพสัขายที่เขาใช้กันเราเ็นว่าเราเรีรู้ขึ้นมาเราต่อสู้เอาปมาณปาณน่คือสัมสติญาณในส่วนทุกายเรื่องไม่เหตุผลคือมีเหตุมีผลไ้้างซื่งขวา แยกออกไปนงนี้ปรเด็นก็คือเวลาเอาขึ้จริงมันยังไม่ถานใช้เหตุแลวผลเลยโกรโลกหลงขึ้นมาโกรขึ้นมายล้วแล้มันถามหาเหตุหาคนแล้วมันก็ด่าก็จังจเอ๋งู้งเอ๋ไม้หาไอ้เหี่ยไอ้สัอย่างนั้นคิดก็คือจริงหรือเปล่าแสดงออกไปน ทุกอ่างกระจยควเราอยู่้างันกันก็แล้วพอมาลู่งแล้วก็ไอเียมาคิดกด้วเราะเราไ่เห็นดีอย่างนี้ลบเหตุผลที่หลังแสดงออกก่อนแล้วเหตุผลนั้นตามไหมครับคายเราไม่คยลายแล้วทำไมเราถูกโอบเริ่มมีเหยุมีก็มีปัญญาตามแต่เอาคนจริงมันก็จะได้ใะ้ แต่ถ้าใช้จะไม่เหมือนนเอวส่วนหน้าเนี่สคัญจำเป็นมากๆกราจะเห็นว่ารานักเสื้อ้ที่กัน่าแปลการรู้ตัวจากแง่ของส่วนหน้าม่สจะเห็ น, น, หนรรดดว่ า, ว า, าวถ้าสาสังเกตวันจราจิตที่มันคลายออกไปางีหน้าผาเราเาจะคยได้ไอ้ความที่มันต็นมันเครียดตลแหแรงหน้าผาเราก็จะจยรักคิดถึง ก็ไม่รูต้ตัวไม่คิดจะเยอะมากแต่ในโซนหน้าเนี่ยทหน้าที่ทมีมันขึ้นเพื่อนติดต่อเร็วซีเล ย, เยแต่เวลาเรา้ า, อายออมามันจะเร็วโออันนี้คือเหตุวลอะไรว่าคนคนนั่งสมาธิเป็นปฏิปัติธรรมพอแก่ช้าอันนี้แก่เร็วไม่เกิดเผลพอหน้นาผากมันก็จะม า, มามยุ่งง่ายย่งตึ แส่วนสาคัญที่สุดคือส่วนหน้าเนี่ยครับูนเราไม่ถึกไม่ะไใปฏิบัติในความการคิดในควเราจะใช้แค่ส่วนหลักส่กลางซึ่งเราไม่ทมันไม่พงอเพราะสมองส่วนหน้ามันเรื่อสคัญมากๆเรื่องสำคัญที่สุดฝึกผว่าเพืัฒนาส่วนแล้วคำว่าพัฒนาอะไแตรงนี้ถ้าาไม่พัฒนา พูดง่ายปฏิบัติเราก็ได้แผลสรองส่วนหลังกับส่วนตาส่วนหวนห้าเช่ไหมล่นีน่คือความแตกต่างระหว่างคนทั่วไปกับปรมาจารย์ความแตกต่างอย่างนี้ระหว่งงงว า, า, ง, าวงนั้นปฏิบัติกับไม่ใช่ปฏิบัติมันแตกต่างกันตรงนี้ที่ฝรั่งเขาก็ศึกษาพัญหาส่วนหลังส่วนตานม่ติดส่วนหน้าเล็น้อง เพราะตกากรปฏิบัติประสบตองรู้ไตประสบเจอได้ตวเองันยังเ้ใจเบอกว่าหัวเราสำคัญสคัญมากไม่ันาดไไปยืนสุดไหนก็ตามว่าอยู่ในอายุนัก็ต่างยินเดินหัหรือนอนกานอนกดทับกดหลังส่างันหมดนลยสวยหน้าม่ไดสวยก็ต้เป็น ยืนพัลลาได้การสื่อคือจิตเราทำที่สุดอย่ดวยกบควบคุมบัคบัญชาเปลี่านจิตที่มันกาคกบฏถ้าพอดีเราพบแชดเกิดอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกีบดีชิพอยู่ด้วยกัดีทราพบเราภาพก็อันเดียวกันพบแชดเกิดอยู่ตลอดเวลา มันดับอยู่เวลาเกิดดับเกิดดับตลอดเว น, นี่คือคาว่าเกิดดเห็นการเกิดการดับเห็นการเกิด ก, ก, กับพบคือผ้านี่คือภาวะภาวะกับผ้ามันมาจอกับพบกับผ้ามาเจอกับพบก็คือแปลงรอยเป็ น, ป น, นผ้าแค่นี้การที่เขาที่เขามีความเป็นติดต่อที่สับยับเข้ามา พเป็นอะไรก็เป็นที่เรืร่ ร, ร, กกรบรรกอ ร, รกอกคือการมวงาลุกออกโลกทเราพดูภาพที่เราจินตนาการเราเลื่อนขึ้นมาเป็นภาพออกมากระนั้นพบที่จริงก็คือชาติเพืเกิดเกิดพบแล้วันจึงเกิดชาติเกิดพบขชาเหมือนที่เราเกิดขึ้นมา ครั้งแรกือตาดูดวัมัปนวัชชาชาติาาคือการเกิดก่อนที่เป็นชาติคือกคือเพราะผมมาจากไหนมาจากดาวเพราคือที่มาเราทุกคนมีที่มาเดียวกันแต่ว่าที่ไปมันเลือกได้ที่มาเราทุกคนก็เจอาที่ไปจากที่ไปให้อยู่ในกลางของ จริงมันการทำช่อว่ามันยังเดือดร้อนหมายการสัพเพสัตตาสัพสัตตังหลายอย่าใช้การอย่างบริโภคการอยู่ในการบำรงชีวิตการที่นี่งหมเราจะพูดถึงเรื่องควาอยากการนี้น่หมจะเรูปเยกลิ่นรักกต่้นบั้นตรูปเสียงเป็นรักกสัพสัตตังหาติดรูปติดใจ ข้องอย่ในสนันเรีย่าสตปเป็นเร่บค้องในิ่เนี้ยได้องเหลแล้วก็คนที่ไมเข้าใจไ่บรูปอาจเรียนว่าเป็นเี่นดึงรถโต่อไปทำงานอันนี้เกี่กับข้องอยู่ถามกวันข้องในไหนมากที่สุดนตอไงาให้บอกขึ้นบนรูปข้อามันึ่งช้นหรือว่าครวมเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ ได้แต่งมาเห็นรูปของรูปเป็นน้างต้นไม้ภูเขาเรากาชายิงเจ้ประทหลายมระเปรูปไปเรู้สึกว่าจินตนาการทีับาเป็นความนั้ความช่างความชอบขึ้นมาใรูปก็นี้ปกติเป็นสิงเดียวต่างหากลมหา่ห้แต่ก็ตาม่เสียงเปมีรูปวิเชยอยู่่อะไร เรืเสียงตามมาเสียงเป็นเียงเสียงค่เสียงชบไม่ชอบกจะตามกันมาโพสต์มาแลก็เกียวกับเรื่องว่าโดไมเรในชีว uh ิตป uh ัจจ uh ุว uh ันตาคราเป็นจริงเราก็เคยคิดกับบอผู้งเลยเรารู้ว่าผู้หญิงรู้ผู้ชายแค่นั้นแต่มรู้ว่าคุณมโทษต่อมมันอะไถ้าจะเร่การมาคุณคุณของการถ้าเราใช้มันเป็น การกคุณมันไม่ได้เคยโทษอะไรเยวมันมีคุณอยู่ในนั้นคุณประวัติก็คือถ้าใครใช้เป็นประโยชน์คุณได้ ป, ป, ป, ในในประโยชน์จากการเกิดแก่เจ็บตายตามคุณอันนี้คุณได้ประโยชน์ซึ่งตากับอีกพวกหนึ่งวิดีหนึ่งเขาไม่เรียกมุราเขามีแค่สี่เขาไมนมีหา้าเราเรามีขางหา มีรูปที่ถึงรูปเดียบจาแต่ก็มีเหตุทุกงย่างรูปอมีเหปดีรูปทุกโลกทุช่วมีเหตุบนทุกอย่างที่ถึงรูปเอาง่ายๆคือคนพระแค่คนหลากหลาเชื้อชาติศาสนาฐานะควาคิดกับพูดกันกระทำเยอะๆมากเลยเราคิดว่ถึง เราเถอนก่ถึงเช่นคนมีบานอยู่ดกันคนรบ้านทั้งที่การทีมีอยู่เต็มใจชอบชอบนอนาเต็ต์การ้อนกรนไมสวนาธาณะอบ้านนั่นที่คราสุขบางคนไม่ใช่ไม่มีบ้านมีมีทานะแต่อยู่ทําไดกําลังสเต็ปก็ชดเชยกำลังจะจุดจดนั้นเต็มเลยก็ไ่อยู่ก็นสบายสายใจ มีบา้านเดก็เดก็เสพ น, นเสีย่คนน้พูดอย่ ง, งเกิดเวราญแต่ถ้าอนเดวสบายนาตกต่างนออะดันั้นเป็นฐานะจีตสังคมปัจีเป็นตัวชีวัว่าฐานะองรับขีดเดีมากไหมนดปัจเป็นปร ส, สนรสับปัจเีบางอาหารสินะร่งต่าง นราก็เกิดใส่โู้วก็ปร้องทักพูดง่ายๆคือจะสมมติว่าคนเราเกิดมาครั้งแรกปัจเจศินอะไรเ็าีในหลังเสื้อผ้าพอลมีที่หลังชี้แสลมีที่หลังอานการ์ตูนมีที่หลังบันช่งรองมีที่หลังแล้วก็เดินมาตามัเอดปัจเจศิน สุสรมสสทั time. Time that, so ้งหายเขาไม่มีอะไรเลยกาสินี่คือการแก้ตาไม่ใช่อาเซียนทำให้พวกเราสร้างบ้านหลเรไม่ได้ถ้าเอาหารเด็กไม่ได้ราเป็นครตานั้นพวกเราถือว่าเป็นสัตว์ที่เป็นโชคทียมีโอกาสที่บอเป็นกลางเป็นกลางมาก่จะเลือกไปทางไหนกดันสู่เดือนสน อกาเกงมือเยอะมือมีเวลาไม่น้อยเมื่อมีนายก็ต้องเลือกนะเลือกที่จะอยู่เลือกที่จะไปเลือกที่จะทําไม่จะไปเส้นาไหนเลือกไปดีเลือกไปไม่ดีแบ้เลือเลือกแล้วก็ไปไปมาถูกทางเดีเดื๋ยเพราะเวลามีน้องเตืกันแล้วเราก็เลือก่างย่ริัทท์อื่นเขาเลือกจากเไม่ ไม่อย่างนั้นกูยังไปพัฒนาข้างบนไม่ได้ตัวแต่ร่างพวกเราดูโชคดีที่เกิดเป็นคนเป็นมนุษย์แตเดียวบางคนโด้มาด้วยกันในความโชคดีนั้ถ้าเราปฏิบัติธรรมจะสิ้นห่ามาเลยมันก็ไม่จะต่างอะไรโอกาสมีกตไม่เอาตัวยต่มีเในลับเราวกเรามีอีกเยอะอีกประมา ในชีวิตในวัยยังมีโอกากยันต์ยังลงยังเล่นยังมีโอกาสอยู่ยัประมาณชีวิตของเราไปนแน่นอนกตายจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้ท่ามีเครรู้ราตอนยังนุนสามสิบอยู่สิบสิบอูห้าสิบตกสิบเสิบพอเลยไปอะไรหัวโอไม่ไหวลูกคนไม่ไหลหนังทำไมวะไปกับจูดยังไง ก็การเด็าะอาไม่สามารถในยามนั้นไม่จะดูยูบ้านเด็กกว่านก็ตัดโอกาสของัเองเปิดโอกาสของตัวเองเจอเะไรงานก็ต้องก็ดเจออการยันนิเจอแม่ควอาจารย์เจอสิ่งที่ดีๆในชีวิตเจอสิ่งที่เป็นมงคลที่มีก็เกิดแบบตัวเองถ้าเอาตัวเองในรอจะคิดเหมือนเติมพูดเหมือนเดินทำเหมือนเดินพฤติกรรเหมือนเดิมมันไม่ลำบาก ไอสมาธิเดิมงทมันสก็ยังติกเหมือนเดิมพูดกันอย่างมนดกกระทเหมือนเดิมดีปกบ่่นต่างเราว่าชคดชุดที่้ก็ศึกษาเียพัฒนาแล้วก็อยากกลท่นจบอแล้วขัแรกเลยต้องศึกษาเน การบรรทุกคืออะไรของไทยของเราของเขาเอาไปทุกของก็เรื่องของมันก็มีได้สําคัญเรากับเขากันคือลำบากตัวนี้เราเขาเอาของไปเอาคําอนไปแทรกไปผสมไปประสมเข้ไปของเราของเขาอาจะไปยึดเอายึดของเรานี่ของเรานั่นของเขา ผูคนระดับยึดกับผู้ประธานแม้แต่รูร่างกายเราบรรทัดีก็จะหมดส้นท้าผูุตาจะหมดนิสัยก็ของเราจริตมันําว่าเป็นของเราจะเป็นทุนกของนิสัยเป็นความยึดกัดถือปล่อยไม่ได้วางไม่ได้มันอันตรายเพราะว่าคิดว่าเป็นของเราสุดท้ายจึงมันไม่ใช่ ของเราพึ่งพาอะไรไม่ได้เลยควเวทนาเข้าเยอะทุต่าปัญหาของชีวิตเมื่อเวทนาเข้ามาัอั้งนานทำอะไรไม่ได้เลยจอะไรไม่ได้ารานทงไม่ได้คิดได้ต่ทำไม่ได้เวทนาร้ายนร้ายขอเถิดคิดเวทนาเข้ามามันหยู่ไม่ได้เวทนาเกิดจะกปัสสาวะก็จะมากระทบก็มะปัสสาะด้วยกัน สุขาสุขาดูเปินขาดูเฉยมีสามทางให้เราเลือกนะมันมันเปิดภาษาเป็นไงถ้ามีสมทางไม่เลือกเราจะอยู Gee ่แบบทุขาอยูนมายเสุขาป็นสุอะไรหรือจะวานตั้งสุขาแล้วสุขาดูเป็นขห้อยู่แบบอารมณ์อะไรนครับอะไรตองปเปขเป็นทงา้ี่ปฏิบัติในกมุ่งไปที่เปิดขาวน เพ่งเดินลกลางเพราะสุดท้ายแล้วเราต้องวาง ท, ท, ทั้งสุดแะทุกคือทองชินทสุดและทุกเทื่มีอยู่รวมทั้งปุ่นและบาปถ้าไม่ทิ้งมันก็ติดปุ่ติดบาปมันข้อปุ่นข้อบาปอยู่ท้ายต้องวางวางทั้งหมดรูปงยากให้ไม่ต้องติดมันทิ้งโดยตัวย่างลูกละเอียดไม่ได้ใครที่เคยปฏิบัติทิ้งละเอียดไม่ได้ ไปเจีรูปกโก้รูปโกโกไปเธอดาวไอวันมันก็ยงไม่เป็นอย่างนั้นนะแต่จะอยู่นนหน่อยอยู่ดีหน่อยแต่ก็สวยก็สวยอารมณ์สวยบุญสวยบาปมันโันข้ามรันที่นี่มันดีกับของที่อืถ้าแย่อะไรกันก็เกิดตัวเราลำบากมันก็ไปสวยรับมันก็เลยได้สี่ตัวอสัยรูปลูกละเอียน ก็ั่มันก็คือลำบากใหมัป็นแบบพระเจได้จากพระประวัติพประวัติพระพุทธเจ้าจากบลวงพสาวกพุทธินี่ก็มีพวกปีชามีกัตานที่อนี่เกิดรตาตาแเกิดเกิดรตาตาแล้เกิดพุทธเจ้าหลพุทธเจ้าศิษย์ชาติหน้าร้อยชาติที่ดุจชาติหนึ่งใช่ระกีตีหน้าชาติใช่ระกีตี ไม่เหรอครับาการเใครทักสาเนไม่นท่นเไม่จะสัตวารแต่เป็นสัตใจมาเปนผู้ดีจ้าหรือคนที่มุ่งมิตสัตว์จเป็นผู้ดีเจ้าที่จะสรุปในอนาคต้อเป็นทุกอย่างให้รูทุกอย่างคือวาระจิตตื่นทอย่างแล้วก็มีชาชัเจมีสาวกคนปรารถนา่าน ไม่ใช่ควารปัตตาห์ามเกี่เวกันเช่นออกพลัสารีบตอย่างนี้คุณตาเมั่อเรื่มาพบมาเจอกันทุกชาตินี่เดี๋ยวนี้เจอวามรู้อยู่พวกมีชาติมัแต่เทวรรณะมันจะเป็นผู้บุนผู้บาปผู้บารมีเรมาช้านานวัยเป็นผู้หญิู้ชายอุตตร์เราลามเกี่ยวข้องกันตลอดพวกเราก็เช่นเดียวกันพวกเราเกี่ยวข้องกันมาช้านาน รุ่ง ja, ี <ving S 2> <the. S 1> <so> ้พวกมึงแช่งกันกันมาแล้วเชื่อหมเอาแค่จะร้อยปีเจะร้อยปีมันมีใครบ่างที่เรียนว่าทันเกิดเป็นใครสารพัดมาแล้วตอนนี้จมันเจะร้อยปีเจ็ร้อยกว่าปีแล้วจะรกามันจะร้อที่เดปีดูประมาณนะในช่วงด้อยปีนหนึ่งนะคือเราที่เรีนว่าท่นเกิดอย่าตบกแต่ว่าช่วงนี้คือ เกิดมาแล้วเจอเขาก็ศาสนานี่ยมีเยอยมากมดีกว่าปตกปกรางที่ไหนก็คือบุญกุลรจักบาปต้องรู้จากสุดท้ายก็คือชีชิตเหมือนกับสรพพะจักรทั้งหลายบองตน่างข้อบาเราคือพาคนอย่านี้อยู่กันอยางน้นคือพาแค่เพียงแค่เอาเท่าเท่านคนมันต้องพูดถึงข้าราหอารก็หากี่อะัก่าง ไปวันๆบานช่างหอเ้าไปม า, าเปลี่ยนมาตางกันเราไม่อยู่ในลักษณะเราไม่ได้อยู่ในลักษณะแส ง, งเรามาดีไม่หอบผลงานเรามาดีเองเรถ้ามาดีก็ได้เงินนี้เอาอันนี้เป็นกำลังใจให้กับตัวเองว่าคือถ้าเราทำอย่างนี้ไปตัวเองเราจะคงจะไม่หอยหลังไปเป็นอย่างนั้น เราก็จะไปข้างหน้าไปอย่างน้อยสไปยิ่สุดหรือถ้าเป็นไปได้คือพบชาติที่ดีอยู่ให้มันน้อยลงดีระบอกว่าเ้ปีหันปีถ้าคเดพสกหรือหลังจากพุทธารมาณสอพันกว่าปีมาแล้วใอ้สองพปีมันไเราไปอยู่ทีหนอนทรียายเตลนก็คิดได้อย่างนี้ธรรมะสเน เกิดข oh oh, ึ้น to ีนจ <bro> ิตโอ้โหจิตของเราเนี่ยมานนี้นมดาเันไปเรียนนุมเแก่ส่ิบห้าสิบปีหรือเจ็0สปดปีอย่างที่เราเข้าใจมันไม่ใชกิจวันนี้มันเป็นร้อยเป็นพันปีมาแล้วมันวนนเวียนไปวนเวียนอยู่ในภพนี่แหละคือกรรมเขาเขาเขัประกเขาซึ่งในขนาดนี้มันก็เป็นพบทุกขนาดแล้วภพมีจิตตาางกลาม คือจิตต์ตัดเกิดจิตต์คือปองแต่คิดเพราะนจินนาการจิตต์ตัดนกอะไรขึ้นมาเป็นจิตจินตนาการคืออาการของจิตอาการก็คือว่าตอนนึกขึ้นมาฆ่าขึ้นมาเพราเราเลืกขึ้นสับกับใจกลางนั้นก็จะแต่งรันจะลายแล้นคือวาามดีนึก่าเราองค์จะแจกแจ่ารนั้นไปนะตัวเราเอยนะนั่นคือพบพบหนึ่ง ว่าเรานปอยนพวมั น, นเราจะเข้าเราไปเข้าใจว่าตายแล้วคือเป็นเพราะมันเป็นเพราะเป็นชาติตลอดเาาวาเพราะชาติมันกเกิดแต่เราก็ไปเออครั้งหนึ่งเร็วชาติเองเราไม่เข้าใจจริงๆนะว่าชาติหรือชาตา ห, หรือเกิดมันเกิดตับกระดับอย่างนี้นีน่นีเคือสิ่งที่เราไม่เข้าใจที่พระเจ้าสอนสอนเราว่าให้ดูการเกิดการดับ รู้กันเกิดเกิดตายเกิดแล้วก็ดับเกิดแลดับใครเข้าใจสิ่งเหนี้เร็วขึ้นในขณะจิตเดียวถือว่าเร็วที่สุดพวกน้มันเกิดแล้มนดับเช่นเขาโผเกิดเกิดไมู่้ว่าโผล่แล้วมันก็ดับทันทีะพวกชั้นดับแล้วภาพที่จะปรากฏแทนที่ไปต่อความกาคือคดับทันทีนันคือความดับแต่เรื่องอื่นมันก็เกิดมาอีกนะเรากเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอ ซึ่งต่ากับจิตของพระยะประหารท่านเข้าใจท่านเยอะเกิดการเกิดความเป็นอย่างนี้รู้เท่าทางคือไม่ต้องเลยคาดของมันแรู้ในการเกิดเรารู้ขั้นตอนรู้กระบวนการของมันเกิดระดับปฏิกริยานั่นทันทีถ้าคุณไม่เดือด้อนอาจจะเดว่าเนื้อสิ่งเห่านจิตของท่านถูกขัดขึคือรู้เท่าทั้งหมดไม่เป็นเรื่มความโลภควาโกรธความหลงไปจะเข้าใจหมายว่าท่ามันเกิดแล้ว เห็นท่นี้ยมักระดาษรเทมเพราะจิตท่านสวาสวางว่าอไรคือปัย่าปัญญ์ปัญญาทไมนมืดทำไมท่นบว่จิตเรากดตางอมีตามีตาเหมือนกันแต่มองไม่เห็นมีจิตเหมือนกันแต่ไม่เข้าใจมองไม่เห็นสิเหลานจิตมันอเหมือนตาอจิตมันไม่สวางจิตไม่สบาย ไม่สามารถที ar, ่มองเห็นริ่งเหล่ี้ได้โดยเฉพาะมีมันละเียดพบชั้นเด่เดียนหรือวมันเยดมากไปเกนขันมองไม่ได้นเราใช้กล้องขางที่จะมองเป็นสิงเหลานีั่จิ้นรกเมืนกั้าเป็นปัญญาบริษัทจะมาจะมองเห็นสิงเได้ด้วยปัญญาพอละนี่คือเราคิดถ้าเราภาาแล้วพิจารณาางเลยแล้วเข้าใจอะไรอย่าง สามสิบเอร์เซ็นต์นปะเทเาจพูดถึงในขณะเียกันถ้าคนไปคิดไปอยู่กับรูปเสียงกลิ่นทุกผตภัณหรือผลกระทบอยู่คนเยะแยะหรือเป็นาไา่เยอะธรรมดาเราต้องจัดกำหนดกำหนดรูปนะไม่ใช่กํานดกำหนดเพราะนั้นทุกอย่างผู้ชายใช่ว่ากำหนดหรือไม่เคยมีผู้ชาใช้ถ้าเรากำหนดรู้ไม่ใช่กำหนดหรือเปล่า มันเราจะไม่ใ oh. ช่วคือละคือเราไม่อยากมันมีไมอยากมันมีทุกแต่มันปิดมันไม่ใช่เป็นการข้อติปผู้ใจชั่งกังต้องรูผู้การก็แบบรู้เพราะเราูอรดูอะรก็เราดูรูปจากรูปเกิดเวทนาเวทนามันกำลปรากฏตัวให้เราเห็ว่านี่เวทนานะก็ไม่ชอบอะไรเกิดเดือดสั่นทอนไม่ได้รูไม่ได้เป็นความจริงทุกคราเวนา ปวดแข่งปวดขาด้ตนนี้นู่ระเทศเยอรมนการเดินรูปโอทุกขเวทนาเป็นอย่างนี้รูรับตาเป็นอ่างนี้นะท่ให้ตัวะบาลให้ยืนเดินนั่งเยอะเยอะมันจะเริ่มเจกับทุกขเวทนาเยอว่าหลัปาเป็นยังไงเวทนาหนักหนักเป็นยังไงเดินแต่ว่าให้เดินเยให้นั่งเรื่องคมีสติแต่สติตปองออกนอกตัว นั่งยงไก็ได้ให้มีสติเดินยงไงก็ได้ให้สตินอนงก็ได้ใมสติเนี่ยให้อยู่กับสติต่ไปที่ผ้าใยเวทนาโอ้ีทุกขเวทนสุขเวทนาุเบกขาเวทนาอะไรอานมีคสอย่างให้เรียนรู้แต่เราไม่รู้ทุกขเวทนาไปอยู่แค่ทุกขเวทนาแต่ก็ไปจมอยู่ประมันไป็นยึดเหนื่อยำเวทาลืมไปว่าสุกขเวทนาก็มีอุเบกขเวทนานแต่ คุณมีเจตนาการกพบมันก็อยู่ตรงนั้นแหละเนี่ยการพบอัตรายถ้าจิตมันไปจบเยคุก็เวนามันก็อะไรขึ้นนี่คือลูกเวตนาสัญญาไมันว่าอะไรมันทบมันสุขนี่มันเจยเสัญญาคด้านนมันทำปัตมันมัติที่เป็นอย่างนีามมันกระมันไม่จบมันเป็นตงต่อปฏิ สขาขาในทำาที่เพ ร, ราะฉะนั้นถ้าาอยกไหมดคนอยู่ในสิงาขาไม่มีอยู่เนียวตรงการข้างกับจิตที่สุดทีแล้วสิง่งตนี้ถ้องเรว่าวิสาถาคือปฏิจสการกลุ่คือทําไม่กลุท่านรู้มีอยู่อร์กุทบรู้จติวางันทีในวิสาขาไม่ได้แปลว่าไม่มีสงขาหรือปฏิจจการา ม, มีนั่นแหละแต่ท่านไม่ทา รู้สึกกวางทัดเสร็จวางเป็นแค่แต่ไหนท่านก็อูสบายซึ่งตกรบดูกเราในสังขารวิญญาณที่ขามเชื่อมต่อของมันที่ม่เกิดว่าเป็นวิญญาณก็ขอบเชื่อมต่อระว่างรูปกับภาพรูปไปสื่อแล้วก็ดูตาเป็นรูปในระบบการนั่วิญญาณเป็นวิญญาณเกิดอะไรขึ้นไปจ้ายกลับมาที่เดิมดูเปนรวิญญาณ มันก็อย <sc> ู <ux> <ates> <sk> ่อย่างนั้แคือมนุษย์เราอยู่แค่ตอนท่สีขานห้านี่คือดสรุปเราก็สรุปไปนะโอ้ี้ท่าสี่านหานี้ดินน้ำไฟลมเขาก็อยู่กับเขาเราทำหน้านี่กับเขาดินกัเป็นดินน้ากเป็นน้ำลมกัเป็นลมไฟกับเป็นไฟที่ในตัวเราอนตัวของเราทุกคนอยู่กับสมรรถนหลายทุกคนนะแล้วก็ประชุมกันอยู่ตี้อันนี้คือท่าที่เราเรียกเครื่อ สิ่งเดียกเยวกันเราปเราจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นดินมันเป็นน้มเป็นมันก็เราของเขาอยู่แต่ก็เป็นจิตที่มันตั้งอยู่มันเกาะอยู่มันอาศัยทอยู่จิตมอาัยอะไเนตัวตนไปนาอะไรต่างๆอวกัวนเพราะนั้นเมื่อดินน้ำไฟลงมันแตกคือมันอยู่ไม่ได้ปาะชาชนก็ตายแอีกสตัวไม่ตา ตัวเวตาลยงการมคือจิตาไปของอยู่จิตันไม่ปขอจิตนตาแต่ธาตุดินน้ำไฟลมมันแยกหมดสภาพด้วยแย่อะไรก็ตามโดยธรรมชาติแต่ตามธรรมชาติแต่แต่สายครับดูครับดูตามแยกนครับติดกการติดน้ำกาน้ำบลมารตัหสภาพของธรรโดยบริยายยังรอดรอดดีก็หมดสภาพแล คือไม่่กันนอนอะไรไม่ได้นะนเซลล์แต่ว่าจิตมันมันไม่ใช่มันไม่ได้ถุกนะมันก็จะไปต่อมักจำอะไร้็ไปที่จิตอะมันชนะหรือไม่ชนะเปลี่ยนผู้สนหรือไม่เป็นผู้สนอยู่ที่กันฝึกแต่พอาึ้นฝึกเลยจะเกิดอะไรขึ้นมีความดีมีความจำมีสิ่งที่ดีเลยมันจะเกิดอะไรขึ้น มันก็แยกแยะไปตามวาระตําแหคือชัน้นของจิตละจิตมเด็มันอยสรสัตว์ที่หอยู่เจะไปไหนจิตดวนี้มันก็ไปสิงอยู่ในร่างของสัตว์โดยสานมันก็การเปนสสาแล้วแต่แต่จิตก็ผู้หญิงหรอผู้หญรู้ชาชายคจิตจริงๆมันไม่มีเมันก็ดกี่ยบเพศอีก้ชาอยู่วก็อยู่กับอะไร น่าจะเหตุน่าจะปัจจัยเป็นคำที่อธิบายยากปยตามกรรมันตกแต่งเราทอะไรก็จะมีปหาามีสิทธิ์สุต่อกรรมฐานยเป็นผู้สืบอดเราผู้รับก็ระดับเาดยังไงขึ้นบนโลกรรมบนโรรมมันค่อยไปตามที่เราไปตามความคิดกับผู้ใ่ทำนี้ยังไคิดยังไงพูดยังไงทำยังไง ผลออกมเป็นอย่างนั้นเขาว่าอย่างนั้นในมันราปีหรือไม่ดีแตนี้แต่ตัวนี้เราคนอื่นที่เรารู้นี่ตัวเราตัวเราไม่ได้เองไม่รู้หรือวาคิดดี้ดีทางดีเพราะมันไม่อบราณดีว่าไพิจารณาไะ่ใช่ปัจจุบันความสำคัญอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นคิดดีก็ได้คิดไม่ดีก็ได้คิดดีก็ได้คิดมดีกนไามดีทางดมันมีผลตาให้่สมบัตมันผนท่อพวกเราอย่มากเลยประโยชน์ชีวัน เป็ตัวปลักดันให้พวกเราไปสูงไปต่ำมาไปคนนี้เป็นอยู่ตรงนี้แะการปฏิบัติคือเป็นเรื่อสำคัญมากมากนะพอเราทุกคนทวนแต่ครั้งเป็นละวันไม่ใช่วันเป็นพระสงฆบเจ็วันมาฟังซึ่งฟังก็ไมาหายใจอยากจะอูเป็นเจ็ดวันกับหลวงาตั้งหนึ่งตัวกับหลวตาเราซืงอ า ป, ป, ปาร า, า, าไไเไปแล้วที่นี่ก็ปกคองทาอะเวลาไม่นองก็ทุกคนกชื่อว่าเวลามีน้องปกครองแยกกูได้เก็บกระเปาแล้วนี่ม้าก็หลีกเพราะนั้นเวลาที่เรามีอยู่ดี่ถ้าอยากมีประโยชน์ได้มากทีกท่สุดเราได้มาแค่นี้แต่มันจะได้เป็นอะแร่ะได้จะเป็นน้องไม่โอ๋าใจว่าโอ้เราทาไมเราตา้องไปโทษชกกะต่ายโดยที่ไม่ทำนั่นเป็ได้มีเร็นรู้ เป็นอย่างนี้แล้วไม่เคยแข่กับถาโทษชคชะตาเพื่อะไรเข้ามาดูรูรันตาตาดีนะเข้าไม่ดูชคชปตครับก็ม่เจอก็ทําให้มั่อแตทิฐานนตั้งเป้าอยู่ที่ตแต่เราไม่ทํามปโทษโชคชตาโทษคนทนี้วาไมไม่ช่วยทำไปอยู่ที่นั้่าทไทไมไเพราะเราไม่ปฏิบัติถ้าปฏิบัติเสร็จก็จะขาดต ไปพูาฏิบติธรรมคือคาตอบของชีวเวลาถ้าใครอยากได้คตอบที่ดีๆหรือเข้าใจชื่อต้องปฏิบัติพือจะเข้าใจปฏิบัติไม่มีาทางเจะเข้าใจเมื่อเมื่อไม่ปฏิบัติปฏิบว่ามันจะมีแต่ปัญหาจมีแต่ปัญหาแต่ไม่มีคำตอบช่วิตเร้มีแต่ปัญหาปัญหาคือคำถามถาม แต่ไม่มีคำตอบสั ก, กเลื่อนกายชีวมิมีปัญหาแต่พก็มไม่้ปัญห า, าเสียเราปี่ปญาแล้วมันจะไม่มีปัญหาได้เลยเพราะปัญญาทีจะเป็นปวดําจัดจะดูกำจัดปัญหาคือตั้างความขัดแยงที่ถามๆมันก็มีคำตอบมันจะมีคาตอบเป็นตัวคุณเองการปฏิบัติธํามนี่เคือคำตอบของชีวิต ลองทายตะใครยังก็ตอต่อทีน้กเลยตองอนี้อดูยอนดูเตดนั่งก็จะมองจะเข้าใจพอทกมันเป็นยังไงผมมาทกมนเนยไพเข้าใจพทุกเข้าใจขอทุกสุดท้าโกพอเราจีจิตกเกิดมาจริงๆเลยจเนผู้เจืตัโัเกิดขึ้นโต๊ะัตันอยู่โต๊ะัดดาบไนอ ไม่ปิดตาเราสุขในเร่องกาาพวเราทุกคนเป็นความยืนกันการศึกษาเทิงต่อมาการศึกษานี้อยางให้เราจริงจังอย่างน้อยที่สุดคือตารพระอาวจโสทั้งหึงเจ็ดวันทั้งหนึ่งก็พวกเราอย่างจริงจงให้เราปฏิบัติใจเข้มข้นถ้าเราปฏิบัติจริแล้วทุกอย่างเป็นวัสดุอุปกรองเป็นการเรียนรู้บนทุกหน่ เป็นครูเรา Wonderful. ทุกเรื่องเข้ามาวัดมีหมดั้งหมดเกลียดจิตตาสุทุกสารวัตรคนสารวัตรความคิดสารวัตรคาพูดถ้าเราไปยึดไปถือคาพูดเหล่านั้นนั่นคือว่าทุกข์ขาดถ้าเราไปยึดไปถือคำพูดของเขาเหล่านั้นก็จบเพราะคำพูดนั้นไม่ใช่คำพของเราไม่ใช่สารนะคำพูดทีท่ดีๆคำพูดบอกาอาจารย์คำพูดกัปตั tornado, นของพระพุทธเจ้าที่ดีทําไมไม่ยืด ถ้าไม่น่าหวังปฏิปักแต่กรับพื่มไม่กี่คำาระเพื่อไม่กี่ประโย ων, ์ของไทยแค่หูึ่งกับไปทิ้งเป็นสื่อเอาเป็นสานะสุดท้ายพอามรู้กท่เือเป็นยังไงความ ร, รู้สึกหยุดเรีเป็นบทเรียนนี่คือบทเรียนจะไม่ให้บทเรียนกจะไม่ให้่เหลนเกิดเป็นเพราะเราได้บทเรียนแล้วราถอบทเรียนแล้วเราไมีบทเรียนแล้วเค่นี้ก็จบ เราเรื่องนี้เราถึงมันเราท่านมันไ้กจะกลับไปเดอประมากลับไปเจอเไม่ตั้งไหนต้งไหนจบหรือยังไงกเป็นจะเรื่องการงานให้เป็นกาหลังมากกว่าผมมาดูการงาถึงยังเรืเปที่กัยั่งอยู่กับที่อะไไปไหนคือความเดือดร้อนทางจิตควาสติปัญญาตรางๆอ่เป้าหมายของเราคือ ถาเรรจริ่มการน้าดันกิจการไปไกลกว่านี้ไปมากก่อนี้มันมากสุดก็ดีมานได้ฝันเป็นกำลังใจเราทุกคนในเทศกาลนี้เอาอรต่อไปดูตัวเองแต่ไปดูคนอืนไม่ได้ประโยชอะไรแต่ที่สำคัญคือทำตัวเองเป็นประโยชน์ทุกอิทีิธรรมแต่ว่าจะเป็นคนคิดกระตางกับพูดกระตางการกระตาของตัวเองเสดออกแล้ว มันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะมันเป็นโทษด้วยจะองความคิดกะตางตัเองกประโยชน์คนอื่นเาผปิพูดพูดไปแล้วตัวเองกประโยชน์คนอื่นก็ได้ประโยชน์การกระทำที่แสดงออกมาพฤติกรรมทางกายทํำไปแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชาตินี้ก็เป็นประโยชน์ชาติหน้าก็เป็นประโยชน์ก็นเบื้เรื่องเราเกิดมาเพื่อทําประโยชน์แล้วยังประโยชน์ให้สําคม จริงๆว่าเกิดมาเราสมบูรณ์แบส่วนจะได้มากไปน้อยขนาดไหนแล้วแต่ศสนาบาลมีที่เราทํามเหมือนกันไม่เท่ากันถ้าเราศสนาบาลมีเรา้อยาให้มันมากขึ้นๆจะเป็นโทษว่าศสนาบาลมีเห่า้มาถึงขนาดที่คนมีบารมีเหมนันหมดมีความโชคดีเหมือนกันหมดที่เราอยู่ตัวนีได้ คือแต่ว่าอาจะไปต่อไปไกลมากน้อยแค่นตรงนั้นเพราะนั้นพอจะไปเขียงพอจะไปคิดมึงยัโอเราเป็นอยน่ยางไรเลยนะเราจะไปย่างไระใ น, นชีวิตนี้อันนี้คือสิ่งที่หมดขึ้นบนปากให้เราเพื่อเป็นอย่นเร า, เร า, เา ค, ดาคดริดเรปฏิบัติในภาวะกิจวับรในชีวิตปัจจุบันชีวิตรก็จะโดการนาเสสวงไปขึ้นคือปัญญานั่นเอง อย่านั้นมัก็จะมึัวเดม่งเดือย่างเดียถ้ามันปฏบัติขึ้นเสร็จกวมากขึ้นปัญญามากขึ้นก็จะขจัดความความรอดขึ้นมาเคยรู้เคยเห็นแล้ก็เรารู้เราเรื่องเข้าใจที่งเห่านี้เราไปรับผู้จูจากการเกิดแก่เจ็บตายอย่างนั้นแล้วเกิดฟรีเจ็บฟรีตายฟรีไม่ได้อะไรเลยมันบอกขอบอันว่าเรื่องความดีความที่ต่างกันแน พรองคิน่ันี่นคือว่าเรามามาต่อมายอดเพิ่มเติมเ อ, อ, อ, อย่างน้อยนี่จะเกิดด้านต่อยานามิเม่นีดีดีอยู่กับตําแหน่งไม่จกไม่ดีพูดกันไม่ดีคิดกันไมีทํากันไม่ดีมีติดใจเศร้มองอกูมันไม่เป็นไรดูหน้าตเนี้ยนดีไม่ไไเป็นปิญหเราก็จะได้ อ่างกรรมฐนีดีวิจารณ์ีดีๆมันม่จะไปทางที่ดีขางก่อนมันเป็ะสบการณตอนเราไหอะไรที่มันสุขก็จะดุจบนโลก็จะดุจโลกดุจธรรมก็จะดุจธรรมตอเราทอไมัสุขก็ดุจรงและตัณหาทุกงทุกอันเ